เราบวชเข้ามาแล้วการเป็นนักบวชนี่นะมันเป็นอุดมมาเพศเป็นเพศที่อุดมกวัวเพศขรือหัดปูครองเรือนดังนั้นนะให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจ พะพิป่ปฏิบัติให้มันสมกับอุดมมเพศเราได้รับโภรดกจากพระพุทธเจ้าคือบริขารแปดนีนะ่พระพุทธเจ้าทรงได้ประทานให้มาอีกอย่างหนึ่งผ้ากาสาวพัดนี่เป็นธงชัยของพระอรหรันต ให้เข้าใจเป็นที่เคารพสกุก์ของทายกทายิกาผู้ครองเรือนทั้งหลายนั้นจุงประพฤตินตนให้เหมาะสมกับอุดมเพศอันนักบวชได้มีชื่ออยู่หลายชื่อ บรรพชิตแปว่ะผูเว้นจากกรรมมันชั่วมีปานาติบาตเป็นต้นมีสุราเป็นที่สุดและเว้นจากกรรมชั่วทางวินัยที่ พ, พระพุทธเจ้าบัญญัติธรมไว้ด้วยสมณะแปลว่าผู้สงบระงรับจากกิเลสบาปธรรม กับมันชั่วต่า ง, า ง, างนี่พิกุแปลว่าผู้เห็นภัยในวตาสางสารให้เข้าใจผู้เห็นภัยแล้วจึงมาบวชภัยอะไรอ่ะภัยของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นภัยอันใหญ่หลวง พอชีวิตของมนุษย์เราภัยภายนอกอันนั้นภัยภายในคือราคะโทสะโมหะอันนี้มันก็เผาร้นจิตใจให้เดือดร้อนอยู่มานับชาตินะับภพไม่ท้วนแล้วนะใครพึงพากันเข้าใจเฮดันบวดมาแล้วนะอย่าไป รวมอำนาแก ก, กิเลสไปสาสมควมรักควมใคร่ไว้ในใจแล้วก็วันวันก็มีจะคุยกันเมื่อมาชุมนุมกันฉันน้ำร้อนน้ำชากาแฟาก็หาเรื่องตั้งแต่ยั่วยวนชวนให้เคยกิเลสมาพูดกลางคุยกัน อย่างนี้ไม่สมควรนะหรือว่าเลิกจากธรวมะธรรมาแล้วเอไปมัวสมคุยกันอยู่ทางกุฏิกุฏังหลังใดหลังหนึ่งจนดึกจนดื่นอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วมเมื่อทำเช่นนั้นก็แสดงว่าบวชมาไม่ใช่เพื่อจะมาทำวามเพียน ละกิเลสตัณหาเบาวางแปบุมาหาความสนุกสุขสนานจากการได้พบได้ปะกันได้คุยกันอันนั้นมันไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์ให้พากันเข้าใจก็อย่างที่เตือนมาแล้วนะ ตนแหละบังคับตัวเองจึงได้ใจผู้อื่นไปคอยบังคับบัญชาตลอดเวลาไม่ได้เลยและมนุษย์เรานี่มันก็ไม่ชอบอยากให้ใครบังคับบัญชาถ้าเพื่อนบังคับบัญชาไม่ชอบใจเพื่อนตักเตือนว่ากล่าวให้ก็ไม่ชอบใจแต่ตนเองก็ยังล่วงเกินระเบียบแบบแผนโย เป็นผู้ประมาทอยู่และไม่ยอมให้ผู้อื่นตักเตือนนี่เป็นความเสื่อมของระบวตนะให้เข้าใจต้องเตือนตนนะถ้าตนจะมาหาความสนุกสนานลื่นเลงบันเทิงอยู่ในเรื่องสเพเหระคุยกันเล่นอย่างนี้ไม่ควนบวชมา ไม่ควรบวชเลยเป็นเครือหัดนะาา น, น, นั่นเอาอยากเผลนยังไงก็เผลนไปนี่ต้องให้เตือนตนนะวันนี้เราเป็นนักบวชแล้วนะเป็นบรรพชิตแล้วเป็นสมณนะผู้สงบระงับแล้วนะนี่ต้องเตือนตนนะ่ะ ใครจะให้ใครมาเที่ยวเตือนเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีไม่ใช่ว่าเราเป็นนักโทษอ่ะ เ, อเป็นนักโทษอยู่เรือนจํานะเออมันมีผู้ควบคุมอ่ะ เ, อเป็นแดนเป็นแดนอยู่แดนนั้นคนนั้นควบคุมแดนนี่คนนี้ควบคุมเวลาไปออกจ่ายออกไปทําการโรงงานภายนอกก็มี ตำรวจมีเจ้าหน้าทีต่ตามควบคุมกลัวจะหนีนี่นันกโทษผู้ทําผิดกฎหมายบ้านเมืองต้องถูกควบคุมอย่างนั้นตลอดไปเราเป็นนักบวชเนี่ยเป็นอิสระเสรีถึงควบคุมก็ควบคุมหลวมๆหม่างๆ แต่ก็ไม่ใช่เป็นอิสระเสรีทั้งหมดคําว่าอิสระในที่นี้หมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เต็มที่เลยใครไม่มาขัดขวางนะการทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอิสระเสรีอยากทําอะไรก็ ทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปไอ้นั่นเขาเรียกว่าอิสระแบบเอาเอาแต่ความชอบใจของตัวเป็นประมาณแม้มันจะผิดกฎหมายหรือจะผิดศีลผิดธรรมอะไรก็ช่างไม่คำนึงถึงแต่อย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะให้เข้าใจกันเราบวชเข้ามาแล้วฮะ เคยพูดให้ฟังอยู่บวกเข้ามาแล้วถ้าผู้ใดสำรวมตนด้วยดีมันขยันทำข้อวัดปฏิบัติก็ได้บุญหลายกวัวผู้คลองเลือนแต่กลงกันข้ามถ้าเป็นผู้เกียดคร้านทำข้อวัดปฏิบัติเกียดคร้านท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระเจ้าอ มันก็ได้ในสิ่งที่ไม่ใช่บุญกุศลแหละวันนี้นะนั่น ก, ก็ได้กิเลสต้นนีน้ได้ถต่กิเลสพอกพูนอยู่ในจิตใจให้เข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้การบวชมันจะมีผลอะไรล่ะเพียงแค่โกนผมโกนคิวนุ่งเหลืองนุ่งเหลืองห่มเหลืองเที่ยวพิกขาจานบินทาบาทเรื่องจีดเท่านี้ ยีเลศยังหนานแน่นอยู่ในใจนี่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยพอเป็นบวชมีโทษอีกซ้ำนะไอ้เข้าใจนะนั้นๆไหนๆเราก็มีศรัทธามาบวชแล้วนะก็เตือนตนฝึกตนให้เป็นคนขันขยันมันเพียนใอ้เป็นผู้สมรวมตนด้วยดีชอบสง บ, สบอชอบสงบสงด ไม่ครุกคลีด้วยหมูด้วยคันนาถ้าผู้ใดตื่นตัวเรามันต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เปิดตำ ร, ตราธรราดูท่องจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ผู้มันใกล้้ะดูที่จะต้องเรียนทำเรียนวินัยแล้วน ะ, ะนนให้พากันท่องรักสูตรนักธรรมอ่ะ ตั้งอกตั้งใจแล้วก็ท่องเอาคำไหวยพระสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดคําไม่ได้บางคนไม่ได้เลยบวชมาตั้งเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วก็ยังทําวัดเช้าทำวัดค่าก็ยังไม่ไม่ได้ไม่จบได้กระท่อนกระเท่น บางคนก็อาศัยที่หนังสือนัอ่นนี่เปิดแต่ตำาราอ่านกับเพื่อนไปอย่างนั้นนไอ้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องเนอะให้เข้าใจมันเสียศักดิ์ศรีของความเป็นนักบวชคนเขารู้เข้าเขาก็ตำหนิตีเตียนก็บวชมาเพื่อเลี่ยงปากเลี่ยงท้องเฉย ไม่ใช่บวชเพื่อศึกษาเ ร, าเรียนทำมื่ววินัยไม่ใช่บวชเพื่อปฏิบัติขัดเกลากิเลสตัณหานี่ต้องให้เข้าใจนะถ้าบวชมาแล้วไม่ปฏิบัติอย่างที่ว่านี่มันก็มีแต่กิเลสตนณนาแ น, น่นอยู่ในใจคุณธรรมอันดีงามจะไม่เกิดขึ้นในใจเลย นั่นในเข้าใจให้เนิร์ไปหลายเรื่องพ่อแม่ให้กำเนิดเกิดมาแสนยากแสนลำบากนะเมื่อเกิดมาแล้วก็ท่านต้องประคบประงมเลี้ยงดูช่วยตัวเองก็ไม่ได้หัวจัดเจริญไว้ใหญ่โตมาเป็นผู้เป็นคนมาได้ ต้องได้รับอุปการะเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาอย่างโชคชล น, นะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่ต้องนึกเสมออันข้อนี้นะแล้วเราจะเอาอะไรตอบแทนบุญคุณของท่านแล้ว่านี้ไม่มีอะไรเราไม่มีเงินทองอะไรจะให้เพื่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่า การที่บุคคลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำลายกิเลสตัณหบาอินทบวบางไปมีความรู้ในศีลในธรรมรู้บาปบุญคุณโทษได้เมื่อเห็นว่าพ่อแม่ตนนี่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เห็นผิดเป็นชอบโยะอยันนี้ก็เอาความรู้ในที่เรียนมาที่ภาวนาเห็นมุนั้น เอาไปสอนพ่อสอนแม่ไปเตือนท่านชักชวนท่านละทางที่ผิดดำเนินในทางที่ถูกเช่นพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิถือพิษผีปีศาจเป็นที่พึ่งถือข้อเข็นเอ็นต้องหมดนี้นะอันนเราพ็กเป็นลูกบวดมาแล้วศึกษารเราเรียนภาวนาให้มันรู้มันเห็น ทางผิดด้วยทางถูกด้วยออแล้วก็เป็นแนะนําสั่งสอนมารดาบิดาให้ละความเห็นผิดเป็นชอบเสียได้แล้วก็ตั้งอยู่ในสัมมาทิฐิมีพญญานเห็นถูกเห็นชอบได้ผู้ดใดบวชมาแล้วได้ช่วยเหลือมารดาบิดาให้รู้สินรู้ธรรม ให้พ้นจากนรกอุบายภูมิได้ผู้นั้นเชื่อว่าเป็นการตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงเลยตนเองก็สำรวมในธรรมในวินัยทำให้พ่อแม่นั้นเลื่อมใสยินดีกับลูกของตนอย่างยิ่งเพราะลูกของตนนั้นบวชมาแล้วตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริงๆ สมัยนี้ท่านไม่ได้สอนกันด้วยปากเปล่าแต่ข้างอุตตเจ้าท่านสอนกันด้วยปากเปล่าสอนธรรมต่อมินายตกมาสมัยนี้ไม่มีแล้วที่ไหนก็ไม่มีมีแต่เพื่อนแจกหนังสือสวดมนต์ทมวัดเช้าธรรมาค่ำให้สวดมนต์จิตตำนา น, นคนแจกใครแล้วก็ ตัวเองก็เอาไปท่องไปจำให้มันคล่องแค่วะทาวัดเช้ายังไม่ได้ก็ท่องให้มันได้ทาวัดค่ำยังไม่ได้ก็ท่องให้มันได้ได้หมายความว่าได้หมดเพื่อนสวดจะไงว่าไงเราก็ว่าตามได้ในกระบวนห่ง การทำวัดเชาวตะ ว, วัดขํานั่นน่ ะ, ะก็ต้องให้ตื่นตัวอย่างนี้อย่าบวชเข้ามาแล้วเรามีแต่เป็นนั่งคุยกันเล่นปล่อยให้วันเวลาล่วงไปเสียเปล่างนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะมีโทษนะให้เข้าใจใครช่วยใครไม่ได้เรื่องมูนี้นะ ตัวเองเท่านั้นนะช่วยตัวเองบังคับตัวเองเอามันเป็นไปตามยุคสมัยมันก็นอย่างว่าสมัยข้าพระพุทธเจ้านั่นต้องไปเรียนต้องไปนั่งอยู่ต่อหน้าอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วท่านก็ว่าไปก่อนลูกศิษย์ก็ว่าตามหลังมให้ทบทวนเอาเมื่อได้บทนี่แล้วก็นำไปบทหน้าต่อไป อสอนไปให้ท่องให้จำได้พอสมควรเ้วก็เอาเลิกไปจะก่อนข้าวหน้ามาเอาอีกถึงเวลาแล้วค่อยท่องค่อยจำไปทีละบทละบาดไปนานเข้ามันก็จำได้มากขึ้นเรื่องมันไม่ใช่บวกเข้ามาแล้วเราทำไม่รู้ไม่ใชี่อะไร ไม่สนใจไม่ดูดื่มในธรรมคําคสอนพระพุทธเจ้าไม่ถูกแบบนั้นไม่ถูกนะให้เข้าใจเมื่อมาแล้วเราต้องทําความยินดีอในพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระองค์ให้รู้ว่าพระองค์เป็นผู้พิเศษยังไงเมื่อได้เริ่มใสในพระเจ้าเราก็ยินดีเริ่มใสในพระธรรมคําคสอนอีกเมื่อเริ่มใสก็ต้อง ข้องบวชจดจำสิไม่ได้หมายความว่าเมื่อมาบวชฝ่ายกรรมฐานแล้วไม่ต้องเรียนอะไรตั้งหน้าภาวนาพุทโธพุทโธเอาก็ได้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นนิเข้าใจเมื่อไม่มีความรู้กว้างขวางสักหน่อยมันก็ไม่มีอุบายในจะสอนจิตให้ละกิเลสได้ คนเรามันต้องมีอวายแยายบคลายในใจสอนจิตใจของตนให้เห็นโทษของกิเลสบาปธรรมอย่างนั้นมันยึงถูกต้องการคุยกันไม่มีประโยชน์เลยนะให้เข้าใจอืะไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยก่อให้เกิดกิเลสหน้าหน้าประการนะ แค่นั้นอย่าเลยอืมเป็นกระหังหัดนันคุยกันมาพอแรงแล้วไม่มีระเบียบในบังคับอะไรเลยแต่มันก็มีอยู่นะั่นแหละแต่มันไม่ปฏิบัติตามนะอมเป็นอยางั้นอยากพูดอะไรสวนเสเฮะร้องลำทำเพลงกว่ากันไปอย่างนี้ไม่ถูกต้องอนะ่ะ คือว่าเป็นผู้บกพร่องในข้อวัตปฏิบัติของรักบวชแล้วก็เนี่ยเนี่ยการทำมาลงมาทำวัดชาวัดค่ำย่าให้ขาด บ, าบังคับตัวเองเข้าไปด้วยคอยให้แต่อุปชาอาจารย์วา่ากล่าวจิงแกตื่นตัวได้้อย่างนี้ เขาเรียกว่าคนหนาไปดูกิเลสเพื่อนตักเตือนครั้งเดียวแล้วไม่ตื่นตัวจะต้องให้เพื่อนว่าอยู่งั้นซึ่งจะตื่นตัวได้ทําความดีได้ขยันได้อย่างนี้ไม่มีในโลกนี้ใครจะไปตามจี้ตามว่าตามบอกอยู่ทุกทีที่จะบทเข้าไปไม่มีให้เข้าใจอืม ทรงทาตนให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายพระพุทธเจ้าสอนไวในทัสะธรรมสูตรนะอะทาตนให้เขาเรียงง่ายอย่าไปทำตนให้เขาเรียงยากนี่นะให้พิจารณาตัวเองว่าบัดนี้เรานะมีเพศต่างจากเครืงหัดแล้วนะอาการกายวาจาของตน ควจะบวะเพื่ออย่างไรควรกระทำบำเพ็ญให้ดีให้งามขึ้นควรบวชเพื่อให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆสมณะแปลว่าผู้สงบระ ง, งับกะสงบกายกายก็ไม่ไปทุกไปตีผู้อื่นไม่แสดงกิริยาหยาบครยต่อบุคคลใดๆสงบวาจาก็เลือกพูดให้ถูกกาลเทศะ การใดที่มีคนพูดก็ไม่พูดเลยแลวต้องประหยัดคำพูดานึกว่าไม่มีประโยชน์และไม่ควต้องพูดมันเสียเวลาศึกษาเราเรียนท่องบทจดจำนี่มันต้องมันต้องเตือนตนรู้จักตนพิจารณาตัวเองอย่างนี้ว่า เ, เรายังไม่รู้อะไรยังบวกค้องอะไรบวกเข้ามาแล้ว กลัวดูตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะอ่ะตนยังไม่ได้อะไรทําวัดโสดพ้ น, นกับเพื่อนกัตังไกท่องตั้งไกเรียนเข้าไปถ้าไปนั่งคุยกันอยู่แล้วมันจะเอาอะไรเวลาไหนมาท่องมาจํานะคิดดูให้ดีคนสมัยนี้เองแต่เป็นนักเรียนอยู่แล้วนอะมันก็ไม่เอาไหนอะ่ะการเรียนนะี่ย เขียนหนังสือก็ไม่ถูกสะกดการันอะไรเมื่ออยู่ไปครบอายุของประถมศึกษาแล้วเขาก็จ่ายออกไว้ได้ก็ตามไม่ได้ก็ช่างมันก็ไปอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นปรากฏระบบคลบางคนเข้ามาบวชนี่หนังสือก็ไม่ได้ได้ก็งูงูปราปาอยพวกแับนั้นอะ อย่างนี้นะมันจะเป็นเหลิงมันประมาทเกินไปให้ตื่นตัวกันเราไม่ตั้งใจเรียนตั้งใจท่องใจจำนะจะเอามันจะได้ยังไงอ่ะอยู่ๆไป้จะให้มันรู้เองจําได้เองเป็นไปเองหูมันไม่ได้ลโลกอนี้ยมันต้องขยันหมั่นเพียรต้องท่องต้องจําจริงๆ ด้วยงั้นอย่าไปทำตนให้ผู้เพื่อนบริหารปกครองดูแลหนัก อ, อกหนักใจให้งเงียมเกียมตัวให้ทอมตัวเสมออย่าไปทำตนเป็นคนแข็งกระด้างกระเดื่องอันนี้นะธรรมดาเป็นนักบวอนะ ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต่อผู้ผอุปนิบวชมา ก, ก่อนแม้จะบวชก่อนวันหนึ่งเดือนหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ช่างนะเราก็ต้องเคารพกันตามผู้บวชก่อนบวชหลังนะในความเคารพนี่มันเป็นเหตุให้คนเราตนะ้องฟองดองสามะกะีกันไม่ทะเลาะวิวากกัน ถ้าขาดของเคารพจะแล้วนอนึงก็ทะเลาะกันแหละมันเป็นไงนมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความเจริญเหลยการอยู่ร่วมกันมันเป็นทางเส่อมนะมนเป็นไงโดยนั้นต้องอ่อนน้อมต้องถ่อมตนจริงๆไม่ใช่ว่าอ่อนน้อมท่อมตนตะลาวามาเป็นนากอยู่เท่านั้นพอาบวชเข้ามาแล้วถือว่าตนมีศักดิ์ศรีคนหนึ่ง เป็นเป็นพระเป็นเนนแล้วแข็งกระด้างไม่อ่อนน้อมต่อผู้เพื่อนบวชก่อนผู้ฝึกปรือให้เรามาบวชก็เริ่มตั้งแต่หัดว่าคำบวชผู้น่าไปนะเพื่อนกอนแนะ น, นำสอนให้ใช้ให้ฝึกสำเนียงหางเสียง ว่ามาคตบาลีให้ถูกต้องมูเนยียอันนี้ก็เป็นอาจารย์แบบระดับหนึ่งนะอ่าเเรียกว่าอุเทศอาจารย์แนะปลว่าอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนผู้ให้ความรู้อ่า ม, มันเมื่อละเข้าโบวถก็มีพระสององค์เป็น กรรมวาจาฌานสวดญัติจจตุธกรรมดังที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วนั่นเนี่ก็จึงสำเร็จเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้นี่มันต้องพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างนี้นะมันจึงเป็นพระได้แล้วรบวนมาแล้วามาแข็งกระด้างกระเดืองตอบครูบาอาจารย์ผู้เพื่อนฝึกปลือ ให้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะาอย่าทํากันนะมันจะได้แต่บาปแล้วนะนะบุญไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเพื่อนแนะนำสั่งสอนอย่างไรต้องทําตามนะคนเราต้องให้รู้จักบังคับตัวเองนะบังคับให้ทําความดีนี่นะถ้าผูใ้ใดบังคับตัวเองไม่ได้แล้วก็เป็นคนดีไม่ได้เลยในโลกนี้ จะให้แต่ผู้อื่นบังคับบัญชาอยู่ตลอดไปไม่ได้เลยข้อนี้สำคัญมากนะจำใส่ใจไว้ต้องทำตนให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเพื่อนเตือนครั้งหนึ่งสองครัง้งแล้วจำใส่ใจเวลาปฏิบัติตามไปเลยอย่างนี้นะแม้นทนจะไม่พอใจก็ต้องบังคับตัวเองท่านตักเตือนในทางที่ดีเมื่อ เพื่อนเห็นว่าตนบกพร่องขรอบว่าปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนเตือนเพื่อนว่าไงนะแล้วก็จําใส่ใจไว้แล้วลงมือปฏิบัติตามดัดาจาริตแสงตนให้เป็นไปตามธรรมวินัยคําสองพุทธเจ้านั่นน่ะอยู่ไ ป, ไปเอาใส่ใจตัวเองว่าใจตัวเองนั่นมันมีกิเลสกิเลสมันครอบงําอืม ดังนั้นเราจะไปเชื่อไม่ได้เราไปเชื่อแต่ใจตัวเองความรู้สึกนึงคิดตัวเองไม่ได้อิงทา、ไม่ได้อิงวินัยอย่างนี้มันไม่ได้เลยไปทางผิดแหละเป็นงนั้นก็จะด้ให้พากันตั้งอกตั้งใจกลัวเราจะได้มา เกิดเป็นมนุษย์กว่าจะได้มาบวชกว่าจะได้มาพุพทธศาสนานี่ไม่ใช่ของง่ายอ่ะให้คิดดูให้ดีถ้าบุญไม่หลายลไม่ได้มาเป็นนะแต่ว่าบุญมันส่งให้ได้มาบวชซื้ อ, อบวชมาแล้วเราไม่ศึกษาเราเรียนธรรมวินยัยไม่ฝึกตนไม่ดักตนให้ตรงตัวทำต่อ ว, วินัยแล้วมันก็ดีไม่ได้อีก เพียงจะได้บวชเฉยๆในมันกับบุญกุศลโุ่นหลังเนะี่ยมันส่งหนุนส่งด้วยฮบวชมาแล้วมันจ ะ, จะเจริญไปได้อยู่ที่เราฝึกตนนะนั่นแหละฝึกตนให้เข้มแข็งนะอามันยังไม่มีความรู้ในธรรมใ้วินัยอันใดก็ขยันท่องขยันจำโม นั่นเรียกว่าฝึกตนนะนนนะอาวิกิตใจมันยังไม่สงบมันยังกระดั่งกระเดืองอยู่ก็ตั้งสติเพ่งเข้าไปภายในอธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธธรรมมาสง์เป็นีพึ่งของตนแล้วก็ อธิษฐานใจว่าขออำนาจคุณพระรัตนไกรนี่ขอให้จิตใจของข้าพเจ้าจงสงบประงับเป็นสมาธิหรือด้วยอำนาจบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาขอให้มาเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้ามีจิตใจขอตั้งมั่นหนักแน่นอย่างนี้ อธิษฐานใจเราก็ น, นั่งสมาธิเข้าไปนี่ขันการฝึกนะมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่อธิษฐานอย่างนี้เนะี่ะบุญคุณจะไม่เกิดในใจเป็นองั้นเมื่อใจนี้ไม่มีบุญคุณเป็นกำลังแล้วมันก็อ่อนแอสู้อำนาจ ก, กิเลสไม่ได้เลย นั่งภาวนาสักวันแต่นั่งอยู่แต่กายเอยแต่ใจนั่นอยู่ไปคิดเล่รอนไปทษวิภพอย่างนี้นะใช้ไม่ได้ให้เข้าใจต้องรู้จักสะกดจิตอันนี้นะให้มันตั้งมั่นอยู่ภายในมไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยเฉยมันจะสงบไปเอง มันจะตั้งมั่นลงเองไม่ได้ในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องสะกดแล้วแม้เขาก็สะกดไม่ให้มันคิดไม่ให้มันทรงสยยใจไว้ข้างนอกให้มันนั่งนิ่งอยู่ภายในเอาความรู้นั่นเป็นหลักการภาวนาให้จำไว้กับลมหายใจ ตั้งสติประคองความรู้สึกนั้นไวให้แน่วแน่แล้วก็กําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นบทเบื้องต้นเนอะถ้าผู้ใดไม่กําหนดลมหายใจในดาจิตไม่อยู่จิตเคยคิดเคยพุ่งไปไงมันก็ไปอย่างนั้นแหละอันนี้หมูนีมันก็ต้องอดต้องทอนต้องใจเข้มแข็ง มันยังค่อยได้จะไม่ออนแอร์ไม่ได้เลยเพราะในใจของแต่ละคนเนี่ยมันมีกิเลสคอยเป็นมารคอยขัดขวางอยู่เสมอเสมอมันไม่ยอมให้สงบรวมลงไปเป็นหนึ่งได้ดางนั้นเราก็ต้องสู้เป็นง้ง อันอื่นก็ยังสู้เนี่ย น, นั่นเแบบก็ทำความชั่วต่างๆมันยังสู้ยังทนเมื่อเวลามันจะทำความดีมาฝึกตนให้ดีอ่อนพับไม่ไหวอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ชีวิตแบบนั้นน ะ, ะถ้าพูดถึงการไปทำไม่ดีไม่งามทำความชั่วอ่อนแอลง ไม่ปรารถนาอย่างนี้มันดีแบบนั้นนะถ้านึกถึงการทำความเพียรทำความดีในภาษาศาสนานี่เอาพอใจเต็มที่เลยตั้งใจเข้มแข็งเลยเห็นนั่งภาวนาอย่างนี้นะเมื่อเรากำหนดหลักเกณฑ์ได้แล้วอย่างนี้อธิษฐานใจถ้าว่าจิตนี้ไม่สงบลงแล้วข้าพเจ้าจะไม่ลุก จากที่นั่งอันนี้ตายกับนี้ละวัอนอธิษฐานใจลงอย่างนี้เมื่อมันใจไม่สงบก็ไม่ลุกอย่างนี้เจ็บปวดกระทั่งมันมตายก็ตายลงไปมันไม่อยากสงบตายซะดีกว่าถ้ามันสงบลงไม่ได้เอางอมันต้องเอาเล็ด เดี๋ยวงั้นนะมันจึงค่อยได้ไหการปฏิบัตินะ่ะ<ม>ไปทำอ่อนแอทอแแทไม่ได้แล้ว<ม>อย่างนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจให้เต็มที่กลัวเราจะได้เกิดมาเป็นคนนี่ไม่ใช่ง่ายนะ เต่เป็นคมแล้ววดจะได้มาบวชก็ไม่ใช่ง่ายทบทวนให้ดีข้อนี้นะเรีวยกว่าชีวิตนี้ก้าวมาเป็นขั้นสูงสุดแล้วนะไอความเป็นอยู่ของนักปวดนี่นะเป็นความเป็นอยู่อันสูงส่งแต่ว่ามันจะสูงได้จริงๆ ก็ต่อเมื่อลักกิเลสให้น้อยวบาวางหรือหมดไปสิ้นไปนั่นแหละถ้าไม่ละไม่เพียนลากกิเลสแล้วมันก็ไม่แตกจากชาวบ้านเท่าไรนะภายในจิตใจนันต่างจากเพศเท่านั้นเองภายใจิตใจไม่แตกจากผู้ครองเรือนเท่าไรนักเรื่องนั้นนะให้พากันเข้าใจก็อย่างที่ว่ามานี่ยนละอ เตือนแล้วเตือนเรามันก็นยังปฏิบัติตามไม่ได้เพื่อให้พร้อมใจกันมาด้วยพระทำวัดเช้าทำวัดค่ำอย่างนี้ถ้าขาดผู้ตักเตือนแล้วก็เอาแล้วเรียวไหลแล้ว น, นั่นเอได้ยินว่าบางคนก็เลยไม่ไปบินบาตก็มี เมือ่อจะคุยกันจนดึกจนดื่นนะวันนี้นอนหลับนอนไหลไม่รู้ตัวอย่างนี้มันก็จริงเป็นชีวิตที่บัดซบมากทีเดียวอาศัยกินกับผู้อื่นไม่ถูกต้องเลยเห็นว่าตนได้อยู่สบายแล้วสนุกคุยกันเรื่องสเปเหละสารพัด อย่างนั้นโอ้ไม่ควรมาบวชเลยถ้าเป็นเช่นนั้นนะต้องแยกกันอย่าไปคุยกันนะอันนี้จุดเสื่อมสําคัญทแท้ๆผู้บวชเข้ามาแล้วเพราะว่ายัางบังคับตัวเองไม่ได้พ็คุยกันแล้วก็กิเลสในหัวใจมียังไงมันก็ระบายออกมาแล้วเนี่ระบายกิเลสออกมาให้กันนะอืา ๋วหญิงคนนั้นสวยอย่างนี้คนนี่งามอย่างนี้อะไรเท่าไรปรรารกจากกรมะคุณนั่นอย่างนี้นะไม่ถูกนะถ้ายังจะชอบใจอย่างนั้นย่าบวชเลยดีกว่าผู้ที่กำลังจะบวชอยู่ก็ดีไปเฉ่หงหาการมะคุณตามความประสงค์ซะ น, นี่ ถ้าลงบวมแล้วต้องบังคับตัวเองให้ได้มันถึงจบเป็นบุญเป็นกุศลตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเกิดมาดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละถึงจะตอบบุญแทนคุณได้นี่ฉะนั้นเราก็เป็นหนี้บุญคุณของท่านตลอดไปนะ เกิดไปชาติใดก็ต้องไปเป็นคนใช้เขาแล้ววันนี้เป็นหนี้บุญบุญคุณพ่อแม่ก็เป็นคนใช้เขาหรือไม่ใช น, นก็เป็นพาหาัเป็นสัตว์พา ห, า น, าหานะเกิดเป็นเป็นทางมาโวโควายให้เจ้านี้เขาใช้สอยใช้หนี้บุญคุณเขาอ่านั่น อันนี้เป็นความจริงนะไม่ใช่พูดเล่นนะบุคคลไม่รู้จักคุณของผู้อื่นไม่คิดตอบแทนบุญแทนคุณเพื่อนอุปการะเกื้อกูลตนมาแล้วไม่คิดตอบแทนเลยอย่างนี้อกรรมอันนี้มันก็นำให้ไปเกิดในตระกูลต่ำๆเที่ยวขอทานเขากินไปอย่างนั้นเนี่ยไม่มีศักดิ์ศรีอะไรอ ถ้าผูใ้ใดเคารพนมน้อมตบพ่อต่อแม่ต่ออุปชาอาจารย์เต็มที่ไม่ล่วงเกินอย่างนี้อันนี้สองอันนี้มันก็พาให้ไปเกิดในตระกูลสูงมันเป็นอย่างนั้นเดืองมันนะถ้ายัเกิดอีกอยู่ก็เกิดในตระกูลสูงเป็นคนผู้ดีผู้ดีอ ดังนั้นชีวิตนี้มันจะเจริญไปได้นั้นมันต้องอาศัยการฝึกชำระในสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วเอาสิ่งที่ดีเข้ามาใส่ไว้แทนในจิตใจนี่เสมอเสมอไป